ขอความที่น่าสนใจบางตอนจากหนังสือชุดโลกทิพย์เล่มต่อไปซึ่งปลาจาก The Life After Death คนเป็นคนตายการใช้คำว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และพูดถึงแค่ความตายไปแล้วในโลกมนุษย์นี้ถ้าคิดให้ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าความจริงนั้น ส่วนมากเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับความหมายที่บ่งถึงเส้มากกว่าโดยที่พวกเราชาวโลกมนุษย์ผู้หลงผิดนั่นเองที่ควรจะได้นามว่าผู้ตายแล้วเนื่องจากว่าถูกฝังคือว่าถูกกดทับให้จมติดอยู่กับความต้องการของกายเนื้อที่หยาบเสียจนงงหัวไม่ขึ้นเลยท่านที่อยู่ในโลกทิพที่มีปัญญาเห็นกระจักต่างหากที่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอิสระมากกว่าเราท่านเหล่านั้นมีความสามารถมากกว่าพวกเราไม่ต้องมีเครื่องทวงให้อึดอัดขัดข้องต่างๆเช่นทุกขเวทนาของร่างกายและความกังวลในการงานอาชีพเพียงเพื่อหาเลี้ยงร่างกายเท่านั้นและดังนั้นจึงสามารถทำงานตามที่ใจรักได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า เรายิ่งตายเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีหรือว่าการฆ่าตัวตายเป็นของดีเรามีหน้าที่ของเราในโลกนี้ที่จะต้องกระทําเพื่อแก้ไขรละาชนะอุปสรรคเครื่องขัดข้องต่างๆในโลกนี้มีบทเรียนที่เราจะต้องเรียนเพื่อทําคะแนนให้ได้ดีที่สุดและบทเรียนนี้เราจะหาเรียนที่อื่นไม่ได้แล้วเรายิ่งสามารถเรียน คือทำคะแนนหรือสอบผ่านได้เร็วเท่าใดเราก็มีโอกาสเร็วขึ้นที่จะได้อยู่ในโลกทิพย์ได้อย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องกลับมาสู่ชีวิตอันเต็มไปด้วยความขัดข้องและเครื่อง่วงนี้อีกต่อไปจงแก้ผ้าผูกตาออก ถ้าทา่านถามข้าพเจ้าว่าสวรรค์อย people, ู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็ขอตอบว่าสวรรค์อยู่ในที่รอบๆตัวท่านนั่นเองพระสวรรค์ไม่ได้อยู่ในอวกาศสวรรค์อยู่ใกล้ๆกับใจของท่านเสมือนหนึ่งอากาศที่ท่านหายใจสมจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าแสงสว่างอยู่รอบตัวคือใจของเธอแล้วถ้าเธอต้องการเห็นก็จงแก้ผ้าผูกตาออกเสียแลมองไปรอบๆ ก็จะเห็นได้การรอดตายด้วยปาฏิหาริย์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายยังรุนแรงซึ่งจะทำให้มีการตายกันขึ้นในคราวเดียวกันครั้งละมากๆนั้นก็มีเรื่องที่ทางโลกทิพได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลืออยู่ไม่น้อยเหมือนกัน แม้ว่าความช่วยเหลือนี้ฝ่ายมนุษย์จะไม่ค่อยมีผู้ใดได้รู้กันนักก็ตามในบางครั้งก็มีบุคคลคนหนึ่งหรือสองสามคนในหมู่ใหญ่นั้นซึ่งด้วยอำนาจแห่งกรรมเก่าของเขายังไม่ถึงขนาดที่จะต้องถึงแก่ความตายด้วยอาการเช่นนั้นในเวลานั้นดังนั้นจึงปรากฏอยู่บ่อยครั้งว่าในอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายๆซึ่งมีผู้คนล้มตายกันคราวแล้วมากๆนั้น ก็ยังมีผู้อยู่ในข่ายที่น่าจะต้องถึงแก่ความตายได้เหมือนกันแต่เราก็กลับรอดชีวิตมาได้เหมือนปาฏิหาริย์ซึ่งอันที่จริงก็เป็นปาฏิหาริย์อันเกิดแต่กรรมของเขานั่นเองทางนี้ก็เป็นไปตามกฎความจริงที่ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้มีนี่เวรเก่าซึ่งจะทำให้ต้องตายด้วยอาการเช่นนั้นในเวลานั้นๆอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะได้รับความช่วยเหลือให้รอดตายได้นั้นทางฝ่ายโลกทิพย์ก็พยายามช่วยเหลือด้วยวิธีอื่นคือโดยการส่งกระแสพลังแห่งความคิดช่วยดลจิตดลใจให้เขาเหล่านั้นบัรเทาความตื่นเต้นตกใจกลัวและแล้วก็จะได้สามารถรเผชิญหน้ากับความตายได้ด้วยใจสงบเยือกเย็นพอสมควรหลังจากที่บุคคลเหล่านั้นได้ล่าจากโลกมนุษย์ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์แล้ว ทางฝ่ายโลกทิพย์ก็ยังได้พยายามให้การช่วยเหลืออีกด้วยประการต่างๆจนสุดความสามารถที่จะช่วยได้การใช้คนให้สมกับความสามารถบุคคลบางคนผู้ไม่เข้าใจหลักความจริงดยกว้างขวางมักจะเสนอแนะว่า ท่านนักบุญหรือผู้วิเศษทั้งหลายในสวงสวรรค์ควรจะหาทางลงมาเพื่อช่วยคนยากจนทั้งหลายในเมืองใหญ่ๆของโลกมนุษย์เพื่อให้เขาได้มีพอกินพอใช้มากกว่านี้คือคิดกันในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้ขอให้เราทราบเสียด้วยว่าท่านเหล่านั้นมีงานอื่นสำคัญกว่าเรื่องเศรษฐกิจของโลกมนุษย์มากมายนักงานเหล่านี้คืองานช่วยเหลือบุคคลผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ของภูมิต่าง เพื่อช่วยเหลือวิญญาณหรือจิตใจของบุคคลเหล่านั้นให้พัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆงานเช่นนี้ย่อมมีความสำคัญยิ่งกว่าที่จะมัวเอาใจใส่เลี้ยงดูกายเนื้อหยาบเช่นนี้อย่างเดียวแม้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่เหมือนกันในโลกมนุษย์นี้ก็ตามการที่เราจะหวังให้ท่านเหล่านั้นทั้งหมดมาโหมระดมกำลังกันเพื่อช่วยในด้านเศรษ ฐ, ฐกิจของโลกเราอย่างเดียวนั้นก็มีค่าเท่ากับ ให้นักปราชในทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมานั่งทำงานต่อยหินเป็นกุลีอยู่ข้างถนนทั้งที่ท่านเหล่านั้นแต่ละท่านต่างก็ได้เสียเวลาศึกษาเล่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาด้วยความลำบากเป็นเวลานานโดยที่เราก็จะอ้างอย่อยางเดียวว่าเพื่อเป็นการช่วยการอยู่ดีกินดีของชนส่วนอื่นส่วนมากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นั้นเราก็จะอ้างอีกว่าเป็นการเสียเวลาและเสียเงินทองมากมาย แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เลยลองคิดดูก็ได้ว่าการกระทาหรือการอ้างเหตุผลดังกล่าวมันนั้นจะเป็นการสมเหตุสมผลหรือไม่และเพียงใดมาเหตุผู้อ่านทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมด้วยนะครับ คงไม่ยุติธรรมเท่าไรหากคนที่เคยโกงเกิดทำชั่วมาสารพัดกับคนที่ทำความดีเสียสละถามใจตัวเองก็ได้นะครับว่าใครสมควรได้รับความช่วยเหลือในที่นี้ท่านพูดถึงในแง่มุมของคำถามที่ว่าเทวดาที่มีฤทธิ์มากมายนั้นทาไมไม่มาช่วยคนซึ่งเรื่องนี้ตอบเฉพาะแง่มุมนั้นแต่หลักสำคัญคนเราจะโชคดีมีสุขและพ้นทุกได้ด้วยบุญของตนเองเป็นสำคัญเท่านั้น ในรายที่มีบาปหรือมีกรรมหนัก่อให้ท่านอยากช่วยแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะกรรมต้องให้ผลอย่างยุติธรรมเสมอข้อความจากเรื่องการเดินทางด้วยจิต The m i n d l e r s สภาวะของจิตของเราในเวลาตื่นคือจิตสํานึกนั้นเป็นสภาวะที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของวิญญาณของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในที่นี้คือวิญญาณที่หมายถึง consciousness ยังมีสภาวะอย่างอื่นของวิญญาณของเราที่นอกเหนือประจักนี้อีกมากมายหลายประการและหลายระดับเหลือเกินและสภาวะเหล่านั้นก็มีลักษณะแตกต่างไปจากสภาวะจิตสํานึกของเราอย่างมากมายเหลือเกินเช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้แยกกันอยู่ห่างกันเพียงชั่วการพลิกจิตชั่วแว บ, บเดียวเท่านั้นอาจมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่เกิดมาแล้วก็ตายไปเปล่าๆโดยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของสภาวะของวิญญาณหรือจิตอื่นๆเลยนอกจากจิตที่ลั่นไปตามประสาททั้งห้าในเวลาเตือนอยู่เท่านั้นแต่ถ้ามีโอกาสพอสมควรคือมีเหตุผลบางกาวมาประจวบเหมาะกันขึ้นเมื่อใดเมื่อ น, นั้นละ่ะ สภาวะของจิตดังกล่าวมาอันมีระดับหรือมีความละเอียดประณีตในระดับต่างๆกันอย่างมากมายเหล่านั้นก็จะปรากฏสว่างว่าบขึ้นมาทันทีดังนั้นตระดบใดที่เรายังไม่เข้าใจความจรงิงที่เกี่ยวกับสภาวะของวิญญาณต่างๆดังกล่าวมาอย่างท่องแท้แล้วตระดบนั้นเราก็จะเข้าใจเรื่องราวแห่งสากลจักรวาลคือฝ่ายวัตถุรอบๆตัวเรา อย่างทองแท้และครบถ้วนไม่ได้เลยเป็นอันขาดวิลเลียมเจมส์นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกายังมีโลกที่อยู่เหนือขอบเขตแห่งประสิทธิภาพของประสาททั้งห้าอยู่เหมือนกันโลกนี้เป็นโลกที่มีชีวิตจริงๆมีประสบการณ์จริงๆ และมีการติดต่ อ, อ ก, กันได้ระหว่างบุคคลซึ่งมีร่างกายมีวิญญาณจริงๆดรฮอร์เยวฮาร์ดมหาวิทยาลัยดิว